วันนี้จะเทศให้ฟังเกี่ยวกับปฏิบัตินั่งสมาธิต่อไปเรื่อยไม่ต้องเปลี่ยนท่านั่ง <c oughs> ให้สังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกเรายังเห็นอยู่ไหมเวลาลมเข้าเราเห็นไหมเวลาลมออกเราเห็นไหม ถ้าเห็นอยู่ก็ยังใช้ได้อยู่ให้คอยกาหนดไปเรื่อยๆคอยดูลมไปเรื่อยๆสงบหรือไม่สงบก็ไม่ต้องกังวลให้คอยกาหนดรู้ลมหายใจเข้าออกได้เป็นดีที่สุดให้เราลมเข้า ก็ให้รู้อาลมเข้าเวลาลมออกเวลาลมออกก็ให้รู้อาลมออกรู้เข้ารู้ออกอย่างนี้แหละต่อไปจิตของเราก็จะสงบเองเป็นสมาธิขึ้นมาได้แต่เบื้องต้นนี้เราต้องกาหนดรู้รู้อารมเข้าไปยังไงลมออกไปยังไง เรารู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นการฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ที่ไม่เคยมาปฏิบัติส่วนผู้ที่เคยแล้วก็คงได้ยินได้ฟังและก็รู้แล้วทำเป็นแล้วส่วนผู้ที่ยังไม่เป็นคือมาใหม่อันนี้ต้องกำหนดรู้ต้องฟังขั้นนี้ต่อไปอีก เรื่องความสงบนี้มันเกิดอยู่ที่ใจของเรานี่แหละมันไม่คิดเรื่องโน้นมันไม่คิดเรื่องนี้มันไม่ไปทนทุกข์ทรมานพอโอ้ยเก็บขาได้เก็บแข้งได้อะไรมันไม่เป็นหรอกขออย่างเดียวขอให้เรารู้ลมหายใจเข้าออกของเรา ก็ถือว่าเราใช้ได้เราทำเป็นคนที่ทำไม่เป็นต้องบังคับบังคับลมให้สงบบังคับกิตให้สงบไม่ให้คิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องใดๆก็ตามไม่ให้คิดไม่ให้นึกเราบังคับไม่ได้หรอก เราบังคับมาให้นึกมาให้คิดมาให้รู้สึกด้านนี้ไม่ได้หรอกมันก็คิดนึกของมันอยู่แล้วคิดนึกไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราก็คอยกำหนดรู้โรมใหม่ก็ตั้งทนกันอยู่เรื่อยนะทำกิจให้สงบให้เป็นหนึ่ง ให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกความคิดนึกเ่านั้นก็จะดับหายไปพราะเือแต่ความเป็นหนึ่งของใจก็ต้องสติเฝ้าูรู้อยู่งั้นแหละอันนี้ก็ยังเป็นฌานอยู่ยังไม่ใช่สมาธิยังเพลงยังบังคับอยู่ยังใช้ไม่ได้อันนี้ ต้องเป็นสมาธิคือใจนิ่งเป็นหนึ่งส่วนที่ที่ว่าเป็นฌานก็คือยังมีวิโตวิจาร์ปิติสุเอคาตามิโตกก็ยังตึกนึกอยู่จารยังคร้องอารมณ์อยู่ยังไม่เป็นสมาธิสมาธิคือความเป็นหนึ่ง ใจมีอารมณ์เดียวไม่คิดนึกฟุ้งซ่านไปในที่อื่นใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้อยู่ภายในให้ทำไปเรื่อยจะพูดอะไรมากก็ไม่ได้เพราะว่าจิตก็ยังกำลังตั้งอยู่ในเรียกว่าตั้งไข่ เดี่ยวมันก็ลมเดี่ยวก็ลุกเดี่ยวก็ก เ, วกเป็นไปอย่างนั้นน่ะให้เราคอยกำหนดรูลมให้ได้จมูกของเรามันเป็นที่ตั้งของลมลมออกลมเข้าอยู่ที่นี่อยู่ที่จมูกนี่ให้คอยกำหนดรูยเรื่อยๆอย่าท้อถอยถ้าร่อนก็จะมี อากาศเย็นให้ถ้าเย็นก็จะมีอากาศร้อนให้ตอนนี้เปิดหน้าต่างปุ๊บก็ร้อนปุ๊บทันทีเลยให้คิดถึงสมัยใหม่ใหม่สมัก้แต่เริ่มแรกจัดอยู่บนสลาบนสลายิงร้อนอากาศร้อนมาก ร้อนจนทนแทบไม่ไหวแล้นเะนี่ยอัตมาผู้สอนก็ไม่รู้จะทํำยังไงผู้ควบคุมดูแลคือท่านไอบูนก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่างคนต่างออกคิดไม่ออกร้อนเหงื่อไหลโชกเลยเหงื่อไหลส่งกายเลยอัตมาไม่มีทางออกอัตมาก็บอกว่าเออ ร้อนขนาดนี้มันยังไม่เท่าร้อนในเอกีมหานรกหรอกในเวกีมหานรกท่านกล่าวว่าร้อนกว่านี้ร้อนมากกว่านี้ขนาดไหนขนาดสลาเราเนี่กองไม้เปียกๆใหม่อยู่เท่าสลาเนี่เอาผู้มีญานพิเศษ เอามือหยิบเอาไฟเท่าแสงหิงห้อยนี่มาจากอาวิีมหานรกโยนตับเข้าไปในกองฟืนที่เต็มไปด้วยไม้สดนะพิบตาเดียวกองฟืนเป็นเท่าเป็นผงหมดเลยนี่คือความร้อนแรงของไฟในมหานรกที่ชื่อว่าอาวิีมหานรก ก่อร้อนแรงมากกองไม้เท่าสลาเนี่ยเอาไฟเท่าแสงหิงห้อยเนี่มาจากอเวจีมหารกโยนเข้าใส่ปับ๊บไหมพุ๊บพิตาเดียวมันเร็วขนาดไหนพิบตาเดียวกองไม้กองฟืนเหล่านั้นไหมวอดวายไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นเท่าเป็นฝุ่นมด นี่หละร้อนแรงขนาดนี้ก็ให้อดทนเอาร้อนเท่านี้ไม่เป็นไรร้อนในมหานรกมากกว่านี้พอพูดอย่างนี้ก็ต่างคนแต่ก็มีกำลังใจขึ้นมาฮึดสู้กันกับความร้อนตอนนั้นยังไม่ใหม่อยู่เป็นครั้งแรกทีเดียวแ่ะ ทำบนสลาบนสลาอากาศร้อนอยู่แล้วพัดลมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ปัจจุบันม่มีพร้อมพัดลมก็มีปวดขาก็นั่งเก้าอี้ได้อะไรมีแอร์ติดให้แต่เจ้า บ, บุคุลเล้ค่าไฟนี่น่าดูเลยแอร์สิบเครื่องเปิดพร้อมกันเสียงคนไอคุ้งกังคุงกัง มันเย็นเกินไปนอันนี้เยว่าเรามาในช่วงที่ปัญหาต่างๆถูกแก้ไขมาแล้วที่พักที่อาศัยแต่ก่อนเนี่ยทำไปใหม่ๆนายทหารอากาศคนหนึ่งซึ่งเป็นนักบินนีคุดพานุเนี่ย ลงจากเครื่องบินมาก็นั่งรถออกมาทีน่นี่พอลงจากรถก็ถือกระเป๋าเดินต่แล็กตแเลกไปเพราะว่าคุณพานุเอาตรงนี้แหละเนี่ยเครื่หมายเลยเขาให้อยู่ตรงนี้แต่ที่ตรงนั้นพ่งสาบใหม่ใหม่พสาบพื้นไปใหม่หม่พอไปแค้ก็งงจะอยู่ยังไงจะพักยังไงอันนี้มันจังไม่ใหม่อยู่เลย อาตมาก็คิดได้ทันทีว่าเออถ้า ง, งั้นไม่ต้องนอนที่ไปนอนที่ข้างกุฏิอาตมาก็แล้วกันที่ทางยุงคมอาตมาก็แล้วกันพอไปนอนที่ทางยุง่งกรมพิจารณาดูคนไม่ได้กินข้าวเลยเข้ามาในของหิวมากอาตมาก็เลยจัดน้ำปนานะไปให้ดื่ม เอาสุดๆเลยว่าเงินเขาว่าร้อนก็สุดๆหนาวก็สุดๆอะไรทุกอย่างมันอาหารการกินก็สุดๆกินเกเร้ตอนนั้นไม่ใช่มังสวิรัตเหมือนข่าวนี้เขารหลงๆมานี่เป็นมังสวิรัตคือไม่เอาเนื้อสัตว์มาใส่แต่ว่ามีพืชผักผลไม้พืชผักอะไรต่างๆมาให้กินให้อยาก แก่หิวแก้เมื่อยไปเ ป, ป, ป็นวันวันไปผู้ปฏิบัติก็เลยสบายไม่หนักใจไม่เหนื่อยไม่เมื่อยมีกำลังแข็งแรงสามารถปฏิบัติธรรมได้ความเป็นอยู่ในสมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันมาก ทีก็บอกคนนั้นเอาอาหารมาคนนี้เอาอาหารมาแต่มันก็ไม่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ของท่านตายท่านตายบอกว่าอยากให้เป็นกินเจรหรือมองสาวิรัติลองกินเจดูทีนี้คนไม่เคยทําอาหารเจก็ เ, เปิดตําลาใส่อาหารเจรทำอย่างนี้อย่างนี้พอมากินอาหารเจรก็ รู้สึกว่าเราไม่เคยกินมาก่อนเนาะมันก็ไม่อร่อยแลยสิวันนี้ต่อมาก็ถึงทำอาหารมังสาวิรัตตลอดคอดเนี่กินแต่แกงเห็ดมีเห็ดมีอะไรให้กินก็กินได้ก็ไปได้ทุกว่านี่ก็เข้าที่หมดแล้ว มาเรื่องน้ำเลยถึงน้ำเวลารีบด่วนนี่น้ำไหลแรงมากก็ยังไม่ทันไม่ทันผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติอาบน้ำพร้อมกันทุกกุฏิทุกหลังทีสี่ทีห้านีโอ้อยอันนี้ก็ น, น้ำขึ้นถึง2อบ่อ ก็ยังไม่พอใช้สูบทั้งวันทั้งคืนนะจนเต็มปับมมมป๊บมันก็ตัดเขามันเองพอเต็มแล้วก็ตัดทำงานตลอดพูดง่ายว่าผู้ปฏิบัติรุ่นนี้สบายรุ่นหลังๆมันสบาย ขุนข่าวทีแล้วนี่น้ำหมดถังแต่คนไม่ได้คุยกันไม่ได้พูดกันก็เลยไม่มีใครพูดอะไรข่านตายนีย่โอ๊ยอัตมาว่าร้อนลุกเป็นไฟแล้วเนี่ยเขจะทำยังไงน้ำก็ไม่มีเครื่องก็มาเสียอะไรเสียก็แก้ไขไปใสุดก็พอประถังพอไปได้ ส่วนข่าวนี้ก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรก็ยังดีอยู่พูดง่ายสิ่งแวดล้อมของเราก็ดีอยู่ทุกอย่างไม่แต่อากาศที่มันร้อนเราก็สามารถเปิดแอร์แก้ไขปัญหาได้เราก็อยู่ได้ปฏิบัติไปได้ บางคนบางท่านนี่อยู่กับห้องแอร์มาตลอดพอมาเจออากาศร้อนๆข้างนอกนี่ทนไม่ไหวทนไม่ไหวพอเข้ามาในสลาเออขอยังชั่วอันนี้เลยถูกปรับปรุงให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติแล้วเหมาะสมที่จะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแล้วทางจังหวัดหรือทางหน่วย มหาเิรสมาคมก็อนุมัติให้วัดป่าดอนไห้โ่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมคนสามารถปฏิบัติธรรมได้สามเดือนลาลากิดไม่เสียเวลาลาไม่เสียเวลาทำงานอนุญาตผู้หญิงให้ลางานได้ผู้ชายลางานได้โดยเอา ถ่ายเอาเอกสารจากนี่แหละใบอนุญาตนี่แหละประกาศนิยญาบัตรนี่ของวัดนี่ที่ให้เป็นหลักสูตรแห่งทีหาเป็นการสอนปฏิบัติธรรมแห่งทิหานี่เป็นแนบเข้ากับใบขอร้องใบอะไระใบที่จะยื่นขออนุญาตลาภารลอนขออนุญาตได้ตั้งสามเดือนสำหรับผู้หญิงนะ มือนกับผู้ชายลาบวตนะ่ะสามเดือนผู้ชายลาบวตผู้ชายก็สามารถลาได้สามเดือนลาได้ลาบวตลาปฏิบัติธรรมได้สามเดือนส่วนผู้หญิงสามารถเอาไว้อันนี้ไปประกอบจะสามารถลางานได้สามเดือนเหมือนกันส่วนลาเจดวันนี้มันสบายอยู่แล้วอืม ไม่เสียวันลาไม่เสียแรงงานนี่ก็เป็นประโยชน์ทางมหาเถระสมาคมก็อนุญาตให้เราเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเราก็ปรับปรุงหลายที่หลายแห่งลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมก็บริจาคเงินทองไว้แล้วก็ต่อเติมตรงนั้นต่อเติมตรงนี้ ให้เป็นที่พักให้เป็นที่อยู่อาศัยให้เป็นที่รับประทานอาหารในความจริงนั้นอาตมาเตรียมตัวมาตั้งแต่มาอยู่ที่นี่อยู่แล้วเพราะจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมอาตมาเตรียมตัวอยู่แล้วเพราะชาวบ้านที่ใกล้ๆหมๆู่ใกล้ๆวัดนี่ทั้งบ้านข้างก็ดีบ้านน้องเต่าก็ดีอืมก็ มาฟังธรรมเวลากลางคืนคื น, คนละเจ็ดสิบแปดสิบคนเราจะมาให้จดชื่อไว้ทุกคนทุกคืนลงชื่อลงทะเบียนว่าใครมาก็รู้จักหมดอชื่ออะไรก็รู้จักหมดแต่มาก็เป็นคนท้องที่นี่แหละคนมันก้างว่าน้องเต่านี่แต่ว่าไปเรียนหนังสืออยู่ กรุงเทพกรุงไทยตั้งนานออกปฏิบัติไปอยู่กับหลวงปู่เทศพอมาบ้านมาเยี่ยมโยมพ่อก็เลยสอนปฏิบัติให้กับชาวบ้านกั้งพอสอนปฏิบัติคนก็ศรัทธาเลื่อมใสกำนันปอกบริบาลมีที่อยู่ตรงนี้แหละนายคำพิลาภมก็เป็นเจ้าของที่อยู่ส่วนนี้ ในพ่กพลีบาลกำนันตะบนสายพาวก็เป็นเจ้าของที่แห่งนี้ท่านก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขอถวายที่ดินแห่งนี้ให้สำหรับสร้างเป็นวัดปฏิบัติหรือวัดป่าอาตมาก็ไม่กล้ารับทันที เขาเลยชวนหลังสงการแล้ววันที่สิบหกก็มาดูมาดูมาตรวจดูมาแผไม่ตาจิดดูก็รู้ว่าโอ้มันดีหลายอย่างเวลาหลับตาลงเห็นรถเต็มไปหมดไม่มีฝ่าไม้เลยรถเก่งเนี่ยเต็มไปหมดเลยรถทัวร์ก็มีรถเก่งก็มีโอ้ พอลืมตาขึ้นมันไม่มีตากตาลงมันมีเลยเห็นหมดเห็นเรื่องต่างๆในวัดนี่ในสถานที่แห่งนี้ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าก็เห็นหมดเดี๋ยวพอลืมตามันก็ไม่มีโอ้เขาก็ลักษณ ะ, ะให้สร้างวัดภูมิทวดาอัตมาก็บอกว่าอัตมาทําเองไม่เป็นนะ แต่ควบคุมดูแลเจะจะทําอยู่ควบคุมดูแลทําได้แต่ว่าให้ทําเองไม่ทำเพราตั้งใจจะมาปฏิบัติไม่ได้ตั้งใจมาสร้างนั่นสร้างนี่ต่อเมื่อปฏิบัติ ด, ดีแล้วนั่นแหละจึงจะทาสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในวัดนี้อันดับแรกจะสร้างศาลาสําหรับเพื่อเป็นที่อยู่ของผู้ปฏิบัติธรรมขาพูดอย่างนี้ วันที่สิบดวันที่สิบเจ็ดอัตมาก็รอบอกคำนันในสมัยนั้นคือกำนันที่ต่อจากคนปอกอัตมาก็ไปขออนุญาตในที่ประชุมสภาตำบลเขาบอกว่าจะอัตมาจะไปอยู่ป่าแห่งนี้นะบอกให้เขารู้ ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคนพวกโยนพวกขโมยวิ่งมาเขาจะมาทิ้งสิ่งทิ้งของไว้ที่นี่เขาก็จะหาว่าจะมาเป็นคนรักเป็นคนขโมยอัตจะมาก็บอกลาเสียก่อนบอกลาพระที่อยู่ที่วัดนั้นแล้วก็อยู่ที่วัดบ้านข้างแล้วก็บอกอนขออนุญาตทางสภาตำบลเขาเขาก็อนุญาต พอจะมาถึงก็จนสิบแปดนาฬิกาแล้วสิบปดนาฬิกาสามสิบนาทีเริ่มต้นสร้างวัดนี้ตั้งแต่วันที่ 17, สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยยี่สิบสามตอนนั้นอายุอัตมาได้สามสิบสองปีสามสิบสามปีเข้ามาอยู่ที่นี่ฝ่าฟันหุปสักดน้อยใหญ่ต่างๆโอ้ยช บ, บคุณเนย เรื่องไหนนมีมดอมพอประมาณเดือนหนึ่งอาจารยจะไปกราบหลวงปู่เทศขอพรขอบารมีไปฟังํามด้วยไปอะไรด้วยแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็ได้กำลังเจอกล้อลงปู่มากหลวงปู่เทศท่านมีเมตตาเมตตาสูเราไปกราบไปไหว้นี่ ท่านจะพูดคุยด้วยท่านจะแนะนำวิธีปฏิบัติให้ก็ได้หลักมาจากท่านตอนตอนนั้นก็การก่อสร้างเขามีอะไรก็อยู่กุฏิยาธรรมดาแล้วนี่แหละพระเนนก็มีแต่พระฝรั่งมาอยู่ด้วยองค์หนึ่งท่านเดวิตนัอยู่ด้วย คนชาติออสเตรเลียต่างคนต่างก็ฝรั่งก็พูดไทยได้น้อยนิดเดียวอัตมาก็พูดฝรั่งได้น้อยนิดเดียวต่างคนต่างก็เถียงกันเรื่องวินัยอันนี้ผิดวินัยอันนี้ไม่ผิดวินัยอัตมาก็บอกเนี่ยมันภาษาไทยเขาว่าอย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนั้นเปิดคนหนึ่งเปิดภาษาอังกฤษคนหนึ่งเปิดภาษาไทยคุยกัน คุยไม่ใช่คุ ย, คยธรรมดาคุยอย่างแรงเรื่อยๆดึกดื่นจังไม่เลิกคุยกันเรื่องเรื่องพระวินัยอัตมาไม่มีอะไรกินนะ่ะนะพ่อบ่า ย, า ย, ายมามก็หิวนะ่ะก็เลยต้มรากไม้รากไม้คือรากนามเล็บแมว้นามเล็บเหยื่อนะเอารากมันมาต้มกิน ต้มกินน้ำร้อนนะตอนเช้ามาก็ยังต้มกินอีกอันเดิมอันเดิมเน่ยไม่เที่ิ้งท่านก็เลยว่ามันผิดพระวินัยอาตมาบอกว่าน้ําปานะมันไม่ผิดพระวินัยหรอกต้มหลากไม้มันเป็นยาตมันเป็นยาท่านก็ไม่ไม่ถูกมันผิดพระวินัยแต่ว่าเถียงกันไปเถียงกันมา อั่นะจนงูเขียวตัวจนงูตัวหนึ่งตัวมันเียบมันเยียบเลยนะตกมาจากต้นไม้ใส่หลังคาปุ๊บลงไปพื้นดินเห็นเป็นงูต่างคนต่างก็หยุดเถียงกันว่าเนี่ยหยุดพูดพอเลิกแล้วกันไปนั่นแหละสบายมาอยู่ใหใหม่ไม่ได้มีกาแฟไม่ได้มีนํำร้อนน้ำอุ่นแบบนี้หรอกยอมปลอกบริบาล โยอูไทยหรือพ่อก็ะหอกนะพ่อตูห้หอกนะมาต้มน้ำต้มชาถวายต้มน้ำร้อนน้ำชาถวายไม่มีหรอกเครื่องลืมอย่างพวกเราที่สันอยู่ทานอยู่นี่ไม่มีกาแฟนี่ก็ไม่มีอย่างดีก็พวกหนุ่มสาว ถ้าหมู่บ้านนี่แหละเอาเป๊ปซี่โคา้ามาถาวายกว่เขาจะเอามาแต่ละครั้งก็โอ้มันไม่คิดไม่ฝันหรอกอันนั้นเขามาเยี่ยมมาคุยด้วยมากับไหวสักลาบุชาเขาก็เอาเป๊ปซี่โคา้ามาถาวายก็คอได้กินบ้างแต่มันก็ไม่สมบูรณ์เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้มีกาแฟมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะ พุทิวิหารที่พักที่อาศัยก็สร้างอย่างรีบร้อนเพื่อให้พอเก่กความต้องการของผู้ที่มาปฏิบัตินี่แหละความเป็นมาอจมาจารย์มสอนทุกคืนทุกคืนในรางคืนมันนี่ผู้ชายมาฟังทำด้วยก็ในจูงแขนหลานมาก็มียายบางคน เอาหลานมาด้วยอาจาบอกว่าพระเนี่ยจะแสดงธรรมให้ผู้หญิงฟังเนี่ยไม่ได้เกินหกคานะไม่ได้แสดงให้เกินหกคาแสดงได้เพียงห้าคำพูดเท่านั้นเองจะพูดคําที่หกที่เกียไปไม่ได้มันเป็นอาบัติมันผิดพระวินัยอจะแสดงธรรมชนชุรนะอากาเสวะป ร, ะรังนติสัมโนนติพาหิโล มันเกินกว่าหกคำแล้วอันนี้ในอากาศไม่มีร้อยนกชั้นใดนสมณะนอกจากพระพุทธศาสนาไม่มีคือสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่สีที่หนึ่งคือโสดาที่สองคือสกกทาคาที่สามอนาคาที่สี่อรหันต์ไม่มีนอกจากพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตัดไปอย่างนี้ ถ้าจะพูดถึงหกคำเนี่ยมันพูดไม่ได้มันต้องมีผู้ชายมาอยู่ด้วยหนึ่งคนเป็นอย่างน้อยผู้ชายก็ต้องรู้เดียงสารู้จั ก, กว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกว่าที่ควรไม่ควรนี่แหละความเป็นไปเป็นมาของวัดที่เราเห็นอยู่นี่มันทำตกแต่งดีแล้วสร้างโบสถ์สร้างอะไร เป็นส่วนพุทธาวาดเขตพุทธาวาดเขตสังฆวาดเขตคารวาดเขตผู้ปฏิบัติธรรมชายเขตผู้ปฏิบัติธรรมหญิงได้ก่อสร้างอาคารแบบง่ายขึ้นแต่ละส่วนละส่วนอาตมาก็ม่มีเงินหลอกคุณโดมอาตมาไม่มีเงิ น, ค, งนคนให้ถึงได้ ทำอะไรก็ไม่เป็นนไม่มีคนให้หรอกถ้าเราจะไปรับจ้างรับงานไม่ได้หรอกแล้วแต่จะเกิดแล้วแต่จะมีทำกุฏิล้างหนึ่งสองปีก็ไม่เสร็จเพราะไม่มีเงินจะมาไปเดินดูหาที่สร้างกุฏิพักก่อน ไปเจอที่ที่ตรงนั้นพูดขึ้นมาเลยบอกว่าอพูดขึ้นมาเลยเสียงมีเสียงขึ้นมาเสียงขึ้นมาจากพื้นดินชัยาถูภวังชัยามังคลงังบอกเสียงพูดขึ้นมาอาตมาก็เลยให้สร้างกุฏิไว้ที่นั่นก็เป็นอุปการะแก่กามปฏิบัติจริงๆกุฏิหลังนั้นก็เลยเลือแล้วเพราะปวกมันกินเยอะกินมากกัน แทบจะไม่มีส่วนเหลือนั่นเลชตุภาวังชัยมังคลงังอัตมามาครั้งแรกมีเงินอยู่ร้ยห้าสิบบาทเรือจากค่ารถเขาเอาใส่กระเป๋าเป้ให้หก็ถือมาหาที่มานอนในป่านี้ พอวันลุกขึ้นวันที่สิบแปดญาติโยมก็มาทํากุฏิให้กุฏิญานะต้นไม้อัตมาก็ไม่ให้ตัดบ่นี่ต้นไหนมันคดรโคตรง้อก็ให้ตัดต้นนั้นได้เอามาทําเสาคดรคตร ง, ง้อก็อยู่ได้ตัวกลางคืนมาญาติโยมก็มาฝังธรรมปฏิบัติธรรมมาเหมือนพวกเรามาเนี่แหละแต่ไม่มีการงดว่าไม่ต้องพูดกัน อันนี้มันกาหนดขึ้นใหม่เพื่อที่จะให้เป็นสถานที่สงบสงัดจริงๆถ้าอย่างคุยกันอยู่ก็มันไม่มีเวลาปฏิบัติพออันนั้นเขามาเวลากลางคืนเวล า, ลาเขามาทั้งชาวบ้านกาั้งชาวบ้านน้องเต่ามาก็อยู่ใต้รมไม้แหละนั่งอยู่ใต้รมไม้อัตมาก็นั่งอยู่พื้นเหมือนกันปูเสือแล้วก็นั่งอยู่พื้น มีเงินอยู่ร้0ยห้าสิบาทก็ไปซื้อยาซื้อยามามุงบอกโยมว่าอามามีปัจจัยอยู่ร้อยห้าสิบาทนีนั้นเพื่อจะค่ารถเอาไปซื้อเอาพะยาเขาเอาไปซื้อจากซื้อยาเขามามุงก็แล้วกันพวกญาติโยมขนยามามาทำเองมาทำเองด้วยซื้อมาด้วยที่เขาขายที่ในหมู่บ้านก็ซื้อมา เอามาทำกุฏิสองสามหลังก็อยู่กันนี่แหละอันนี้คือความเป็นมาของวัดนี้เบื้องต้นตั้งแต่วันที่มาตรวจวัดพอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันแหี้เป็นเรื่องอธิจรรย์ต่อมาก็ถึงเป็นวัดเป็นว่าขึ้นมาอันที่จริงก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาย่ายๆลบุเทศท่านไม่อนุญาต ท่านไม่อยากให้มาอยู่สู้ทุกข์สู้ยากไม่อยากมาให้ลําบากลําบนท่านบอกว่าวัดนี้ก็กวา้างขวางใหญ่โตที่อยู่อาศัยก็มีพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วอยากอยู่หลังไหนก็เลือกเอาท่านว่าท่านให้เลือกเอาได้อจะอยู่หลังไหนก็เลือกเอาหรือจะมาอยู่ ใ, ใกล้ๆนี่ก็เอาท่านว่าจะมาก็อยู่กับท่านมีสามปีจะมั่นษาพันษาหนึ่ง จะน้าเล้กก็ออกมาจากวัฒนมงคลก็มาอยู่กับท่านก็ไม่สอบไม่เรียนไม่สอนมดเว้นทุกอย่างตั้งใจมาปฏิบัติจริงๆตั้งใจปฏิบัติชั้นเชา้าเสร็จก็เดินจงกกลมเป็นถึงสิบอนาฬิกาถึงหยุดหยุดแล้วมันดื่มน้ำดื่มท่านั่งพักผ่อนหน่อยหนึ่งก็ลงเดินจุกกลมต่อทำกม้มผ้าของเพียนคนอื่นไม่ทาก็ตามไม่ได้สนใจสนใจแต่ว่าเราทาของเรา เราก็ต่อสู้อดทนโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาญาติโยมเว้ยเดินบนดินนะ่ะเท้านี่พองขึ้นเลยเพราะมันเดินมากเนียเดินทั้งวันนะให้คิดดูมีเวลาพักนิดเดียวนะวัยสามบยสีก็ต้องถึงจะหยุดได้ไปกวาตาดลานวัด น, นะวัฒนินกเปนะ้งสะอาดสะอาน พระผานินขยันในการปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดห <c oughs> ลวงปู่ก็สบายใจอัตมาปกครองหมู่คณะหมู่คณะก็มีความสามัคคีกันไม่ทะเลาะเอบาอแว้งไม่เข่งแย่งแข่งดีกันต่างคนต่างก็มุ่งหน้ามาเพื่อลงปู่ทุกคน น, นั่นแหละ ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้วัดนี้ขออนุญาตจนญาติโยมไปรับเอาโยมดวงจันทร์กับโยมแม่กำนันอสองคนนะไปรับจากหลวงปู่ไปขอเอาจากหลวงปู่หลวงปู่ถึงอนุญาตให้มาท่านบอกว่าก่อนจะมาเขาบอกว่าสร้างวัดภายนอกสร้างเมื่อไหร่ก็ได้วัดภายนอก สร้าเมื่อไรก็ได้สร้างวัดภายในให้มันเสร็จก่อนท่านว่าเราฟังแล้วก็ถ้าไม่คิดก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่คิดก็เป็นเรื่องสมควรคิดพอที่จะคิดวัดภายนอกก็คือกุฏิวิหารศาลาคาบเรียนบสถลงกลัวลงอาหารนันนี่กุฏิที่อยู่อาศัยเขตชายเขตหญิงเป็นที่พักผ่อนหอนใจ บําเว็มเพียรภาวนาได้อันนั้นเป็ น, ปนวัดภายนอกสร้างเมื่อไหร่ก็ได้เป็นจริงอย่างท่านว่าสร้างเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ธรรมดาควจะเสร็จเป็นสลาหลังหนึ่งใช้เวลาหลายปีเป็นสิบสิบปีเลยเพราะอะไรเพราะงบประมาณมันวิตามินงอมันมีน้อยไดนมาก็ทำไปหมดเงินก็หยุดไว้อนน วัดภายในนี่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญกว่าวัดภายนอกสร้างโบสถ์สร้างวิหารนี่เราทำเสร็จได้ถ้ามีเงินเราก็ทำได้ถ้าไม่มีเงินเราก็หยุดได้เหมือนอย่างทุกวันนี้เราก็หยุดไว้อันนั้นมันไม่มีปัญหาปัญหาที่หัวใจเราเนี่มันสงบจากกิเลสไหมวัดภายในของเรานี่กิเลสราคะโทสะโมหะมันดับลงหรือ ย, อยัง หรือว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นยังไงของมันเราสามารถดับกิเลสภายในลงได้ไหมอันนี้สำคัญที่สุดเลยถ้าเราสำลักกิเลสภายในยังไม่ได้เราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องอยู่เราจะอยู่อย่างมีสติได้อย่างไรเพราะราคะก็ยังมีอยู่โทสะก็ยังมีอยู่โมหะก็ยังมีอยู่โลภโกรธหลงยังมีอยู่ ถึงไม่จะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารอยู่กลางป่ากลางลงอย่างนี้ก็ตามแต่ใจเราร้อนลุกเป็นไฟอยู่เราจะสบายที่ตรงไหนเราจะดตีตายแล้วไปตรงนรกหรือไปสวรรค์ก็ไม่รู้อย่างนี้มันไม่มีความหมายเลยสร้างวัดภายนอกเนี่ยใครมีเงินก็สร้างได้ทําได้ทั้งนั้นแต่วัดภายในคือจิตใจของเราเข้าถึงอาจถึงธทำ ดูดพ้นจากกองทุกกองกิเลสนี่ไม่ใช่ธรรมดาอันนี้มันต้องต่อสู้กันเดินตรงกรมจนพื้นทางจงกรมมันเป็นมันเลยปานขัดมันไว้นั่งสมาธิก็เอาตั้งแต่หัวค่าจนถึงสว่างบางทีนั่งอย่งั้นอ่ะนั่งอยู่ท่าเดียวหเลยปานั้นก็มีมันก็ไม่ใช่สู้ธรรมดาสู้กับกิเลสนี่ มันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ดับมันลงไปเกิดอะไรขึ้นมาก็ดับมันลงไปกว่าจะทำได้กว่าจะดีกว่าจะเป็นที่พอใจนั่นมันใช้เวลาตั้งแต่ตอนหนุ่มอายุสามสิบกว่าซึ่งไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยเลยไม่รู้จักํำบากเลยอะไรอะไรก็ทำได้หมดแต่มาเทียบปัจจุบันนี่อายุสี่สิบกว่านะโออายุ สิบสอายุห4สสี่ปีละทำอะไรมันก็เหนื่อยก็เมื่อยหมดทุกอย่างเลยมันไม่เอานั่นกว่าจะสร้างวัดภายในกว่าจะเสร็จนี่มันใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะเจียมแจ้งในธรรมของพพุทธเจ้ากว่าจะรู้กว่าเข้าใจด้วยใจของเราเอ ง, เอง ใช้เวลานานมากตั้งแต่ยังหนุ่มจนแก่จนอายุสี่สิบห้าสิบถึงค่อยเบาใจลงได้ตอนนี้มันก็มีหน้าที่ที่จะสอนญาติสอนโยมหรือสอนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือตั้งใจมั่นที่จะทำความดีให้กับตนเองเท่า น, นั้นเองเพื่อโอกาสให้ทุกคนใครจะมาจากทิศไหนทางไหน อัตมาก็บอกญาติโยมผู้ทาหน้าที่ทะเบียนบอกให้รับหมดเลยเดือนนี้ไม่ต้องงดว่าคนนั้นมาแล้วไม่ต้องมาอะไรอย่างนี้ให้รับหมดทั้งคนเกา่าคนใหม่ใครสมัครมาให้รับหมดก็รับอย่างเต็มที่กุฏิได้นอนซ้อนกันห้องหนึ่งนอนปกตินอนคนเดียว ในนอนสองแล้วบางกุฏิบางหลังบางที่ที่ก็นอนสองคนคนนอนสองคนนอนอยู่ด้วยกันไม่คุยกันมันไม่มีหรอกมันต้องคุยกันแต่ว่าถ้าคุยกันมันก็เสียระเบียบพูดง่ายภาวนาไม่ขึ้นจะพูดจะคุยก็ต้องคิดซะก่อนว่าเราพูดมีปัญหาอะไรบ้างเราก็พูดถ้าไม่มีปัญหาก็าให้นิ่งเลย ไม่ต้องคุยกันถ้าทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ดีนั่นเองอันนี้ก็ไม่มีปัญหาสำคัญอะไรหรอกเป็นเพียงแต่ว่าควบคุมความสงบให้เกิดขึ้นให้มีโอกาสภาวนาอย่างเต็มที่พราะมีเวลาน้อยภายในเจ็ดวันครูบาอาจารย์ต่อสู้อดทนมามันไม่ใช่เจ็ดวันไม่ใช่เจ็ดปีไม่ใช่เจ็ดเดือนมันมากกว่านั้น ตั้งแต่อายุสามสิบตั้งแต่อายุยี่สิบก้าปีเริ่มต้นนะคือปฏิบัตินะอยู่กับหลวงพ่อวิ่ได้ยังอาจารข้ก็ไปเรียนไปศึกษาอยู่ที่น้่นนะอธิษฐานใจว่าถ้าในพุทธศาสนานี้ยังมีดีอยู่ยังมีความประเสริฐเลิดล้นเหลืออยู่ขอให้ข้าพเจ้าได้เห็นภายในเจ็ดวันถ้าไม่มี ไม่มีดีในพุทธศาสนาหลังจากนักฆ่าพระเจ้าจะสืบจะลาสกขาอธิษฐานใจอย่างนี้แล้วต่อพระหน้าพระบรมสารีลิกาธาตุที่นำมาจากประเทศบังคลาเทศมาจากประเทศอินเดียอาจามาจุดทูปอธิษฐานแล้วขึ้นฟังธรรมพอขึ้นฟังธรรมวันนั้นจิตสงบยังใหญ่หลวงเลยโอ้ยไม่เคยพบเคยเจอมาความสงบแบบนี้ สงบมากสงบจนพูดอะไรก็ไม่ถูกเลยมันเหลือแต่จิตอันเดียวสว่างสวัยอยู่ตลอดพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งอยู่เลยมันสงบลงไปครั้งแรกมันก็เป็นปฏิภาคอยู่ไหลไปไหลมาไป น, นั้นเป็ น, นี่เห็นหน่อยหนึ่งมันวางตุบลงไปเลยโอ้ยความสุขความสบายจิตใจอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นเอเลิศจริงๆนะ นั่นล่ะเป็นเหตุให้ตัดสินใจอยู่ปฏิบัติธรรมออกทุดงมาอยู่กับวัดหลวงปู่เทศเทศสรังศีลหลวงปู่ก็เมตตาสอนมันก็แปลกดีปีนั้นพวกนักศึกษาแพทย์พวกนักศึกษ า, กกกามหาวิทยาลัยต่างๆเข้าไปฟังธรรมหลวงปู่ด้วยเพื่อนก็ไปเรียกมาว่าออตอนนี้หลวงปู่จะเทศแล้วนะจะไปฟังธรรมไหมไปวะ ออกจากทางโกก็มาเลยมานั่งฟังธรรมทุกวันทุกวันนรางปู่ประเทศขยันมากเราก็ขยันมาฟังธรรมขยันมาปฏิบัติธรรมในที่สุดก็เห็นความจิงแย่งพระจัก ข, ขึ้นมาในใจหลายเรื่องหลายอย่างมีสิ่งที่ให้เกิดความประทับใจมากมายเลยแต่เหลืออย่างเดียวคือกลัวผีไม่หาย อยู่กรุงเทพเผาศพอยู่เน่ยทานมานอนนอนอยู่มนดบนี่ยอยู่ที่แกล้งที่สว่างมองเห็นเขเผาศพอยู่ไม่รู้สึกกลัวเลยแต่พอมาอยู่วัดหินอเป้งกลัวกลัวกลัวมากกลัวกลัวแม้กระทั่งบันไดจะขึ้นกุฏิก็กลัวแล้วเอ้ะมันเป็นอย่างไงทาไมเป็นอย่างนี้เวลาเดินเข้าไปในที่เงามืดไม่ได้สายไฟเน่กลัวเลยกลัวว่าเหมือนคนเดินข้างหลัง อันนี้ก็มีเห็นกระดูกข้อตายก็กลัวอีกอาจารา์ก็เอเอเราออกมานี่ยเราไม่ได้มาเพื่อความกลัวนะเรามาเพื่อความหายความกลัวนะเรากลัวที่ไหนเราต้องอยู่ที่นั่นจนกว่าจะหายกลัวจะไม่หนีไปที่อื่นพอเราก็เข้าไปนอนใต้บันไดเลยเพราะมันกลัวใต้บันไดเดก็อนอนใต้บันได สามวันมันหายเลยมันไม่มีความกลัวเลยวันนี้แต่วันแรกก็กลัวอยู่กลัวมากมากอยู่วันที่สองก็ยังมีอยู่วันที่สามมันหายไปมันไม่มีอ่ามัไม่มีวันหน้าต้องไปที่อื่นเรากลัวที่ไหนเราจะนอนที่นั่นเราจะนั่งสมาธิที่นั่นโอ้โหดึกดื่นค่อนคืนนะลมแรงมากเลยกดเราหนีเหมือนก็ไม่กลางหรอกเหมือนเรานั่งอยู่ธรรมดาเลยมันพื้น ลงมาฟึ้นฟื้นฟืฟ้ฟนเหลมุ่งเรามุ่งกฎเราก็ปีวูขึ้นอ๋อมันทดสอบทดลองกําลังใจหน้าดูเลยไปเห็นกระดูกยอมอยู่ที่ที่โบสถ์รัชนีนปิน่ง เ, เขาไว้หลังโบสถ์มันเป็นช่องอยู่ครับติดไปตัวนั้นของโยมคนหนึ่งที่ตายแล้วก็เอามาเผาเอามาอธิธาต์มาไว้ที่นั่นเอาอธิของเขามาไว้ที่นั่น โอ้ oh, เราไปทําความฌานบุตรเราไปเห็นเรากลัวขึ้นมาเลยถ้ามันกลัวตรงนี้กูจะเอาตรงนี้แหละมันผ้าเ น, น้นก็หัวค่ําเขาก็ไปเดินโยกรมเป็นแถวเลยองนั้นเดินโยกอมองนี้นั่งอยู่ต่างคนต่างก็ทําความภาคความเพียรแต่ละคนไม่ได้คุยกันไม่ได้ถามกันหรอกต่างคนต่างก็ทําความเพียรของใครของมันอัตมาก็ไปนั่งอยู่ตรงที่มีกระดูกกันแหละเรืแรกมันก็กลัวอยู่ พอดึกมาเพื่อนหกทุ่แล้วเพื่อนก็ห น, นีกลับไปนอนหมดเลยบาเดเหลือแต่เราคนเดียวข่าวนี้โห้ยจ้าระคุณเนยมันน่าอาัศจรรย์จริงจริงนะจิตของเราเนี่ยพอพอมันหลอกเราเนะมันหลอกได้ทุกอย่างเลยเห็นคนเดินเข้าไปในกอกกนะนกระดูกนะในกระดูกเห็นคนเดินเข้าไปใส่ชุด ถ้ามีของอีสานเรานี่แหละเดินเข้าไปหัตถามาไม่มีที่พึ่งทางใจเลยเห็นต่บาทนะสาธุบาทเอ้ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยของข้าพเจ้าเดอไปนอนนั่งกอดบาทอยู่เลยบาทเนี่ยพอดึกม า, มากๆตีสามตีสี่ 3, 4, มูเพื่อนก็ยังไม่ตื่นขึ้ น, นมายังไม่ได้มาลงทำบัทอะไร เขาทำวัดเจ็ดโมงไม่ได้ทำวัดเหมือนพวกเราทีสามทีสี่อัตมาก็นั่งอยู่จนสว่างนั่นหายกลัวไม่มีกลัวเจอหัวคำเจอเพื่อนหนีจากนั่นแหะกับตอนเห็นเดินว่าแวะเข้าไปนั่นแหะมันหลอกตัวเองที่จริงมันไม่มีอะไรหรอกผีสางนางไม้มันก็เป็นเรื่องของเขา แต่ว่าเราไปตั้งความกลัวความหลอกความลวงขึ้นมามันเลยกลัวสู้แท้ๆจริงๆตั้งใจสู้ตั้งใจทาแล้วมันกลับดีสำหรับเราไปอีกมากมายเลยมันดีมากมาอยู่ที่นี่มันก็ไม่กลัวนอนที่ไหนก็นอนได้ไม่กลัวเพราะเราไปเอาชนะมันแล้วเราขนาบจิตของเราแล้วเราบังคับจิตของเราแล้ว มันไม่กลัวในป่านี่จรเดินกลางคืนอาตมาก็เดินได้ถ้าเต่๋ยสมามาอยู่ใ ห, หม่ๆบงทีนกมาล้องมากร้องเต็มไปหมดนกกับบาเขาอย่างนกกับบามันล่องจุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊ ก, ก, ก, กเ้หงวกหูหน้าดูเลยไปไล่ไไล่ไม่ให้มันมาล้องอยู่ใกล้ๆขึ้นหลังมามากกว่าเกา่าโอ้มันเรื่องของเราตัวนี้ไม่ใช่เรื่องของ มันมาทำให้เรามีกังวลก็ไม่กังวลได้จะมจะจะร้องปากมันร้องไปมันร้องเราก็นั่งสมาธิของเรานั่งสมาธิก็สบายดีสงบดีนี่แหละความเป็นไปเป็นมาเป็นอย่างนี้คือเขาให้ที่นี่หกสิบสี่ไร่ เท่ากับคุณตาให้ที่นาแกียรตมาเนี่ยให้ที่นาหกสิบสี่ไร่หกสิบสี่ไร่อาตมาก็บอกว่าอาตมาไม่มีโอกาสได้มาเลี้ยงดูโย่พ่อโย่โยแม่อือาตมาขอให้ที่ที่ได้รับมาจากคุณตาเนี่ยอาตมาอยู่กับตากับยายไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตามีลูกสาวคนเดียวยายมีลูกสาวคนเดียวคือโย่แม่ของอาตมา อาตมาก็มอบให้โยมพ่อพะมอบที่ดินให้โยมพ่อฝนก็ตกยักยักกัเดือนนองบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปอาตมาจะเป็นศึกแล้วจะอยู่ในสัมนเพศนี้ไม่มีโอกาสมาเลี้ยงดูโยมพ่อโยมแม่ขอมอบที่นาเ น, นี่ให้ขอให้แบ่งให้ลูกเต้าแล้วแต่จะให้ใครคนไหนเลี้ยงดูโยมพ่อโยมแม่ก็ขอให้แบ่งให้คนนั้นอาตมาก็ว่วอย่างนี้ ตั้งแต่นั้นหมามก็ไม่มีไม่มีกักวนวัวควายที่คนตาแบ่งให้หรือมอบให้ก็ให้ยมพ่อยมแม่หมดเลยให้หมดก็ไม่เอาอะไรเงินก็ไม่เอาทองก็ไม่เอาตั้งใจจะปฏิบัติอย่างเดียวก็ต่อสู้ปฏิบัติรมด้วยความอดความทนอย่างเต็มที่ มาอยู่ที่นี่ทำนั้นทำนี่อยู่ภาวนาไปด้วยเขาขุดสระขุดบอ่อก็นั่งภาวนาอยู่ตามริมสระนะคอยดูงานเขาไม่ได้บังคับเขาหรอกเขาทำของเขาเองแต่ว่าเราก็ดูๆไปเข้าสมาธิไปหัดไปทำไปคอยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเงาวัดภายในมันก็พอไปได้แล้ว ในวัดภายนอกก็พออยู่อาศัยแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็ไปด้วยกันให้เกิดความสุขความเจริญให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าใกล้หรือไกลอยู่ต่างประเทศนอร์เวย์ก็มายมทุกนะก็มาจากนอร์เวย์ แต่ดีใจอัตมาดีใจกับญาติโยมที่อยู่ไกลยังมีโอกาสมาส่วนอยู่ใกล้นี่ก็บอกว่าอยู่ใกล้ปฏิบัติเวลาไหนก็ได้อย่างตอนนี้อย่าเพิ่งมาก็ได้บอกเขาอย่างนี้แต่การปฏิบัติธรรมนี่ก็มอบหมายให้ท่านพายบูลอาจารย์พยบูลเป็นผู้ดูแล ดูแลการปฏิบัติธรรมอัตมาเขมีโอกาสมาเทศมันแสดงธรรมให้ฟังแต่วันนี้มาเล่าความเป็นไปของวัดให้ฟังแต่มันก็ไม่ละเอียดหรอก เ, เพราะเล่าพอให้รู้ความว่ามันเป็นมาอย่างนี้แหละก่อนจะมาหลวงปู่ก็บอกว่าจะเพิ่งสร้างศาลาใหญ่นะก่อนจะสร้างก็ให้นาะวาอากาศดีพิทยะผู้บังคับฝูงบินกองบินยี่บสามซึ่งเป็นโดมุปถัมภ์ของอัตมา ก็ไปขออนุ ญ, ญาตหลวงปู่เทศดนาจา ก, ก็ไม่ไปให้ท่านไปคนเดียวไปกับคณะนายทหารอีกสี่ห้าคนเ น, น่เอารถจากอุดรรถกีบของท่านนั่งไปไปกราบหลวงปู่ไปขออนุญาตหลวงปู่หลวงปู่ก็อนุญาตให้สร้างวัดให้สร้างสละได้ก็ถึงนั้นมาเมมาสร้างนี่ แต่ก่อนคอดหนึ่งหนึ่งมันก็ไม่มากคนก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบแต่หลังๆมาเนี่ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นท่านไห้บูลก็ออกอากาศทุกคืนทุตีห้าก็ไปเทศออกอากาศเทศแล้วก็ส่งไปออกอากาศหรือบางทีลงไปก็ไปที่กรมประชาสัมพันธ์ถ้าไปที่กรมประชาสัมพันธ์อั ต, ตมาก็ได้ไปด้วยก็ไปออกขา่าว เทศนาสั่งสอนประชาชนทั่วไปก็ไปเทศอยู่ส่วนท่านไผ่บูนก็ไปเทศอัดเสียงไว้แล้วก็ตอบปัญหาคราวนี้ก็ว่ามีแกกอยู่นี่ที่ตอบปัญหาไปสองสามก่อเวลาตีห้าเหมือนกันนั่นท่านไผ่บูนกับคุณสันสนีหนา้าคงคุณสันสนีเป็นคนถามท่านไผ่บูนก็เป็นคนตอบ นี่กับหมอหมอณัฐพงศ์ก็ไปออกรายการกันที่ช่องสามขาวนี้หมอณัฐพงศ์ก็มาด้วยมาปฏิบัติธรรมด้วยแต่อัตมาดีใจมากคือโยมพ่อของท่านไปบูญเนี่ยมาเนี่ยปฏิบัติธรรมกับลูกชายเนี่ยอั น, นี้อัตมาดีใจมากๆจริงๆเลยนี่ได้โปรดเอายบมพ่อโยมแม่ได้โปรดเอาพี่เอาน้อง มันดีที่สุดเลยพบว่าอัตมาดีใจดีใจมากๆทีเดียวพออัตมาไปคนชวนชวนมาท่านก็ยังหาเวลาว่างไม่ได้คราวนี้มีเวลาว่าง ม, มาได้ดีใจอัตมาดีใจพอเห็นเข้าไปในกุฏิดีใจใหญ่เลยโอ้ยมพ่อมแม่ยมพ่อมาแล้วนี่มันนั่นแหละ ดีใจกกับทุกคนที่มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ต้องผูกมั่นว่าเป็นนาชั้นเอกคือแนะนําวิธีทำปฏิธรรมะปฏิบัตินี่อย่ายอมทําเป็นทุกคนน้อยที่สุดที่ไม่ได้ไม่เป็นคือคนที่ไปตําหนิพระอริยะไว้อันนั้นภาวนาไม่ขึ้นแต่ถ้าทั่วไปแล้วภาวนาขึ้นหมดทุกคน ภาวนาได้ดีกันทุกคนมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉงเหนือก็มาปฏิบัติธรรมกันมากเมื่อก่อนรถตู้สองสามคันสี่คันห้าคันมาเอานักศึกษา ม, มาปฏิบัติก็ดีไปเหมือนกันตอนนี้ก็โยมที่มหาวิทยาลัยภาคก็มาทั้งลูกสาวสองคนสามคนก็มาด้วยกันหมดเลย นี่แหละญาติโยมทั้งหลายความเป็นไปเป็นมาก็อย่างนี้แหละอาตมามาอยู่ที่ตั้งแต่วันที่17เจ็ดเมษายนสองพห้ายบสามตอนนั้นอายุสามสามปีสาสอามสิบสามปีตอนนี้อายุหกสิบสี่หสิบสี่ปีแล้วมันไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนนละ้ ร่างกายอะไรต่างๆแต่ก่อนเพื่อนเขาถามพระธีวัทหินอกเป่งเขาถามาเขามาช่วยงานขออนุญาตหลวงปู่ให้มาช่วยงานตอนรับพราป่าเราก็เดินสั่งนั้นสั่งนี่ทานั่นทำนี่ไปไม่หยุดเลยเพื่อนเขาเลยถาม่าไม่เหนื่อยเลยเดินไปเดินมาท า, ทางนั้นทางนี้ข้องแค่ว่องไวไม่เหนื่อยเลยอัตมาบอกเพื่อนเะ ผมไม่รู้จักคําว่าเหนื่อยรู้จักคำวมาแต่ว่าจะทําสิ่งนี้ต้องทําไม่ท้อถอยแต่ทุกวันนี้พูดอย่างนั้นไม่ได้เหนื่อยไหมบอกว่าเหนื่อยทันทีเลยแก่เท่าไปแล้วมันก็เหนื่อยสังขารร่างกายมันก็อ่อนเพียอืจะเดินจะเหินจะไปนั่นมานี่มันเมื่อยไปหมดจะไปตรวจดูวัด ทางนั้นทางนี้ก็ต้องนั่งรถครอบท่านพิบูลนก็เป็นคนขับอจะมาก็นั่งไปนั่งรถครอบไปตรวจ ด, ดูทางนั้นทางนี้ไปตรวจ ด, ด, ดูเขตพระเนนบ้างเขตผู้หญิงบ้างไปดูรั่วไปดูกำแพงไปดูหน้าที่นั้นที่นี่เดินเอาเหมือนตะกอนไม่เป็นแหละไม่ไหวไปไม่ได้ต้องนั่งรถครอบไปถึงไปทั่วถึงได้นี่แหละ เกะเท่ามาก็เป็นอย่างนี้นี่ว่าใช้เวลาสำหรับดูสงบภายในทำให้จิตใจสบายเป็นสุขอยู่เฉพาะตนในแต่งานควบคุมการปฏิบัตินี่ก็มอบให้ท่านไผบูลท่านอาจารย์ไผบูลเป็นคนดูแลอาตมาก็มีโอกาสมาเทศแต่วันนี้มาเล่าเรื่องความเป็นไปในชีวิต บางส่วนบางแง่มุมให้ฟังที่วัดหกสิบสี่ไร่เขาถวายครั้งแรกปัจจุบันร้อยหกสิบไร่ซื้อเพิ่มเติมซื้อเพิ่มเติม้ยเป็นร้อยหกสิบไร่ที่ร้อยหกสิบไร่ขณะนี้กำลังก่อสร้างกุอติวิหารอยู่ เพื่อให้มีที่พักที่อาศัยพอเพียงสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมตามกำลังความสถาและเงินทองที่มีอยู่เท่านั้นเองนี่แหละให้ญ า, าติโยมทั้งหลายเข้าใจตามนี้ตั้งใจปฏิบัติไปอย่าทอ้อถอยอัตมาปฏิบัติมา ก, ก็หนักหน่วงพอสมควรกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาต้องอาศัยลงปู่ตลอด หลวงปู่เมตตาทุกเดือนที่ไปหาท่านท่านก็เมตตาอบรมสั่งสอนจนถึงได้ที่พึ่งภายในขึ้นมาวัดภายในก็เป็นไปแล้ววัดภายนอกก็กาลังเป็นไปอยู่ให้เป็นไรขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้ประโยชน์สุขแก่ตนเองตั้งแต่ปัจจบันนี้เป็นต้นไปเถอดอีหวังก็มิด้วยพระการาชนี